ทางวานหลวงพ่อเองได้ประมาทพาดพางพวกท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายเอาหัวสีให้ผมเช่นเดียวกันให้อตมาเช่นเดียวกันและก็ขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันนสุขภาละดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอาหังขามามิตุมเหฮหิปิเมขามามิตตะบัง เอวังหตุเอวังหัตุโยจะปุบเบปมัตชิตวาปัชซาโซนปมัตสติโซมังโลกังปพาเซเตอยพมุตโตวจันทิมาอภิวาธนาสีลิจานิจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรมมาวัทานติอายุวันโนสุขังพาลัง ญาติยโยมสิไปผูกก่อนตอนเนาะก็ะคงจะเบาๆอย่างไรแต่พวกเข้ามาดนดนมาได้พบหลวงพอ่อได้ยินได้ฟังฟังนั่นฟังนี่แน่เพื่อเป็นกติเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวความคิดให้พวกเข้าได้นั่มไปประพฤติปฏิบัติหน้านที่ปีหนผู้บาอาจารย์จึงในมารวมกันทําวัดครวะ คูบาอาจารย์อย่างที่พวกเข้าท่านทั้งหลายมานี่ยนะมือนี่กับมือหนึ่งเขาพรรษามาได้สืบหามือมือนี้ล่ละแปลว่าสองวงันบนทําไปสองวันอาทิตย์หรือสองวันพระหรือสองสั ป, ปดาห์เขาพรรษามารถเดือนแรกจะมาทําวัตรคูบาอาจารย์ออมแอมของพวกเข้าต่อไปก็คงจะทําไปกว่างไ ก, ก่ก้อนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วคณะที่หลวงพ่อเว้าหลวงพ่อพูดนะ ให้พวกเขาอยู่ในความสงบเนอะัา น, นผู้ใดอยากคุยกันอยากสนทนากาันอยากคุยกันเป็นส่วนตัวก็ออกไปคุยกันทั้งนอกคันว่าผู้อยู่ในบริเวณสารานให้ฟัง่งก็ออกไปัารผู้ใดบริจากฟัง่งให้ย่างออกไปทั้งนอกไปคุยกันทั้งนอกแล้วเมื่อลบเรียบร้อยแล้วหลวงพอ่อจิแจกหนังสือของคุณแมชี่แก้วนะให้พระกับแม่ชี่ที่ว่าพระเพ้นได้แล้วองค์ใดใดแล้วก็บอเอาละ พอหนังสือจํากัดส่วนผู้ใดได้แล้วเพื่อการไม่ชีที่ได้แล้วกับบ่เอาบ่าให้แล้วกับเหรียญหลวงพ่อที่แจกเหรียญอีกเหรียญของคุณแม่เพราะว่าเอาไปแจกอยู่บั้นหวยไส้ที่ว่างานเจดีมันบ่ได้แจกพอมันคนมันแย่งกันก็นเลยบ่อได้แจกวันนั้นมือนี่กับหลวงพ่อคอยจดถือโอกาสแจกหนังสือให้พระกับคุณแม่ชีส่วนเหรียญ น, น่กนก็คิดว่าจีแจกให้ทั่วถึงก็น่าจะทั่วถึงทั้งหมด มาใหนะ้เบงหน้าเหรียญคุณแม่เนี่หลวงพ่อท้ำเฮ็ุขึ้นมานี่ก็เพื่อแจกในงานเจดีเป็นที่ระลึกคุณแม่ชี้แก้วเท่านั้นอนะ่ะบอดดิเหตุสื่อเห็ขุขายบอดดิเหตุยังอพอได้สร้างเจดีขึ้นมาเลยก็แจกท่านนังซื้อลูกหลานมาเกิดิีบไดดิยังก็เลยเอาติดไม้ติดมือเหรียญเอาไปเป็นที่ระลึกไปกราบไปไหว้เพราะคุณแม่กัเป็นเป็นผู้ยิ่งก็จริงอยู่ แต่ว่าเป็นผู่ปฏิบัติปฏิบัติชอบกระดูของเพิินกระเด ก, กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมกลมสรุปแล้วก็คือในหลักของพระถรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพันกว่าเป็นพระอระหันต์ก่อนที่เป็นยังสัน่นหลวงตามหาบัวเพันขยืนยันก่อนที่คุณแม่เจ็บเป็นยังสัน่นก่อนพันจิมรณภาพหลวงตากขาบอกว่าเม็ดชีแก้วเนี่ยาวน่าเนี่ยยิ่ให่ของพันสำคัญอยู่เด้อพันชินนะนะ แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ฟั่งฟั่งไว่พ่อคนที่สุด พ, พ่อคนตายไปกระบอกลนอธิษฐานเพิ่งก็เลยกลายเป็นพระธาตุเป็นสักขีพย า, ยา น, นยวัดปลาแกีว่วชุมพ่น่ะเนีแล้วก็หลวงพ่อก็เอาไปบรรจุก็มีหลายเม็ดกระดูกพระธาตุของเพิ่นบนัดนี้ก็เลยเมื่อฉลองสางเจดีย์เจดีย์ก็สางมดหลายเด้เฉพาะองค์เจดีย์ย่างเดียวมดประมาณ1ิบพ า, านแล้วก็บริเวณรอบคางถนนหนทางแสะนม ไปว่าทั้งมดรวบร่วมคาใส่ใจในเจดีมดไปยีสิบหาล้านก่าเจดีของคุณแม่ที่หลวงพ่อจะแจกหนังสือให้แกพวกหมู่วกกเพื่อนคู่บาอาจารย์ครับเมชีเนี่ยและก็พ้อจีแจกเหรียญให้คณะสัทาา่ายาิโนมมี่มาาเมื่อนี้ละแปว่าน่าจะถั่วถึงเป็นทีละลึกเหรียญของคุณแม่นี่ให้พวกเข้าเอาไปรักษาไว้เห็นดีได้ที่มาเหลื่อนเกินกาดบัวได้ เออเอาไปกบไหว้สักระบูชาเอาไปแขวนข้อก็ได้เออแล้วก็ระลึกย่ามตกทุกข์ในยากทั้งด้านจิตใจมีอุปสรรคทั้งจิตใจมากอ่ะระลึกถึงคุณคุณแม่เอ้ยคุณแม่แก้วเอ้ยคุณยาเอ้ยมาซอยภูขาเด้ดเอภูขานี่ความว่าสบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งจิตอธิษฐานถึงพนนะขอคุณแม่เนี่ขอยายได้พอาะว่าพนเป็นพยิ่งคือกันกับขอแม่นะ่ะพวกเข้าขอแม่เนี่ขอยายเขาขอกรบพรบูแมนบว กันพอก็พอหนิขอบทเป็นทาเป็นที่โดนไม่เลี้ยวเด้ขอกับแม่นี่ยังไหนยังไดนเพิ่นก็นยังทั้งหายเพิ่นทั้งจมเพื่อนยังไหายโยไปอันนี้คือกันน่ะพวกเข้าขอกับแม่นี่ขอครอบด้วยเหลือจากแม่นี่ตรงพอว่าเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเขานะ้ะเนี่แหละเมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วหลวงพอ่อจะแจกนะสำหรับพี่น้องประชาชนหยาติ่อมแล้วก็แจกหนังสือคูบาอาจารย์แล้วก็แม่ชี แต่วันหนังสือกระตามเหรียญกระตามท่านว่าผู้ใดได้ดแล้วก็าบ่อเอานะพอหลวงพ่อก็แจกบัตรเพิ่มครั้งนึงแล้วกันผู้ใดได้ดแล้วก็บ่อเอาเอาไปยังเขาไปถิ่มไปซื้อให้ผู้อื่นเขาพอหลวงพ่อจะได้แจกไปเรื่อยๆสําหรับปุตติผบ้ไดพอหนังสือเล่มนี้ก็หลายเงินนะเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดเป็นภาษากลางนะ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 ได้นำหมู่คณะการาบคารวะครูบาจารย์ในถิ่นฐานที่จำพรรษาในวัดของพวกเราคอยนั้นวันนี้ถึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคอยนั้นที่จะถึงวันนี้ได้ก็คือเป็นเทศกาลเข้าพรรษาเข้าพรรษาปีหนึ่งก็จะมีเพียงครั้งเดียวคือครั้งนี้แหละอำเภอนามโสมอาเภอนายูง รวมกันคณะสงฆ์ทั้งสองอำเภอและพี่น้องประชาชนทั้งสองอำเภอรวมกันไปมุดน้ำดําหัวตามประเพณีหรือ ว, ว่าคารวะทำวัดครูบาอาจารย์ในถิ่นนั้นแต่วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มาวัดของหลวงพ่อมาทาวัดคารวะที่หลวงพ่อได้กล่าวจบลงศักครูนิวาพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจก็ดีผมยินดีอโหาสิให้แ ก, พกแพ่พวกท่านทั้งหลายและผมได้ประมาทพาดพังพวกท่านทั้งหลายตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมญาติโยมด้วยกายด้วยวาจารวยใจก็ขอให้พวกท่านอโหาสิให้ผมเช่นเดียวกันให้อตามาเช่นเดียวกันและก็พร้อมกันข็ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะอันนี้หลวงพ่อได้พูดจบลงก่อนหน้านี้ เป็นนั้นว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านในพรรษานี้ที่พวกเราอยู่ในขณะนี้ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมอยู่หน้าถิ่นใดบ้านใดแต่ละวันก็จะได้ขาดให้มองดูแลพระสงฆ์ที่จำพรรษาในถิ่นฐานบ้านใกล้บ้านของเราก็ควรจะทำบุญตักบาตรขะหลวงพ่อว่า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 ไม่รอดแล้วนะคราวนี่เหยียบเส้นแดงแล้วเมื่อนั้นละ่ะพวกเราจะํานึกได้ว่าโอ้โหความตายนี่มันไม่ใช่ของเล็กน้อยมันพัดภากจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เล็กจนโตอหมมันไม่ใช่เรื่องของเล็กน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเตือนอยู่เสมอว่าก่อนที่พวกเราจะถึงวันนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวอะไรไว้บ้างควรจะเตรียมคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง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 คือตัวผู้รู้คือตัววิญญาณส่วนรูปประธรรมนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีเท่าไหร่นั่งอยู่ที่นี่เห็นกันหมดรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างไรเห็นกันอันนี้เป็นว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนจุดที่ว่านามธรรมตัวนั้นสำคัญกว่ารูปประธรรมท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปประธรรมเพราะนั้นท่านสอนอยังไงเรื่องนามธรรม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 สั่งให้วาจากายวาจาพูดออกไปก็คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ถ้าว่าใจของเราไม่เกิดศรัทธาใจของเราไม่นับถือเรื่อมใสมันก็ไม่สั่งกายให้ทําไม่สั่งวาจาให้พูดมันพูดก็พูดอีกแบบหนึ่งมันก็ทําไปอีกแบบหนึ่งถ้าหาว่าใจไม่สั่งร่างกายจะไม่พูดอย่างนั้นถ้าว่าการกระทําออกมาเราก็พอรู้ได้ว่าเออคนคนนี้เขาทําอย่างนี้ออกมาเขาไม่เคารพ เขาไม่นับถือเขาไม่เลื่อมใสใจของเขาไม่เกิดศรัทธาสแสดงว่าสอถึงใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนใจธรรมะของพระพุทธเจ้า8ปดหมี่พันพระธรรมขันถ้าจะว่าไปแล้วคือเน้นหนักตรงที่มตามพระธรรมคือใจใจเป็นใหญ่คือสอนหัวหน้าสอนหัวหน้าให้รู้จักดีรู้จักชอบรู้จักสิ่งที่ควรคิดไม่ควรคิด ควรคิดๆซะก่อนคิดออกมาแล้วจะทําอย่างไรจะพูดอย่างไรเอออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพุทธบริษัทของพระองค์เพราะนั้นพระธรรมคาสั่งสอนแนวแถวของพระแม่ครูบายอาจารย์ท่านจึงสอนใจสอนนามมารมตัวนี้แหละสรุปแล้วก็คือมันย้อนไปถึงที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพอเกิดขึ้นมาแล้วก็นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับมานั่งอยู่ เเวียนหรืออยู่ล้อหรืออยู่รถ อ, อมีพยามัจยราชเป็นผู้ดึงไปลากไปแก่ไปขนไปถูไถไปพอจะรูปป้ไปง่ายพวกแก่ไปเพราะงั้นแหะแก่ไปข้างหน้าลากไปข้างหน้าถ้าว่าแกก็ว่าลากไปภาษาอีสานถ้าว่าแก่ไปข้างหน้าแก่ไปหาอะไรแก่ไปหาผมเงาะ อแก่ไปหาผมงอกผมขาวแต่สมัยเป็นเด็กเรายังผมไม่งอกไม่ขาวนะพอแก่ขึ้นไปผมงอกผมขาวแก่ไปหาผมงอกผมขาวแกไปหาฟันหลุดอแกไปหาตาฝ้าฟางแกไปหาหูหวกหูตึงเอแกไปหาหนังเหี่ยวหนังย่นอแก่ไปหาหลังค่อมอแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราจะไม่เป็นพระแกเข้าไปมื่กีแกแก่แกแกไปเรื่อยเท่านั้นแหะ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 มาเกิดอีกมาหาที่เกิดใหม่อีกพอมาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แก่อีกแก่ไปแก่ไปถึงทิ้งลงเหวเกิดใหม่อีกแก่อีกนี่แหละทนววัดตวันไม่มีที่สิ้นสุดเวียนตายบกวนเวียนเวียนตายเวีนเกิดในวัฏสงสารนั่นเรียกว่าวัดตะวันไตรแปลว่าสามไตรโลกธาตุวกวนเวียนอยู่ในไตรโลกธาตุในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุด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 เป็นอนันตการแปลว่าจบสิ่งที่ให้มาเกิดนั่นคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนั่นเองที่นำพามาเกิดเพราะนั้นถ้าว่าเราชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจได้แล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีเชื้อแล้วใจตรงนั้นก็หมดยางบมดตา เ, เหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าเราเอาไปสีสะเอาไปกระทาะเอาไปตำสัก เปลือกมันแตกออกแล้วมีแต่เม็ดข้าวสารเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุอะไรเพราะมันหมดเชื้ออันนี้ก็เหมือนกันวิธีการที่จะทําให้ใจหมดเชื้อคืออะไรคือมักแปดศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาอยู่นี่แหละวิธีการปฏิบัติทํำยังไงนั่งสมาธิทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเรา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 หรืกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธนี่วิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิทีเดียวก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนนี่อริยบททั้งสี่เว้นไว้แต่หลับนะถ้าหลับจะไม่จัดว่าภาวนาเพราะมันหลับไปแล้วมันขาดสติไปแล้วแต่ถ้าคุณว่ายังมีสติอยู่ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทั้งสมอย่างพราะเราสร้างคุณงามความดีได้ทั้งอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอน พอเราตายเราก็ไม่ได้เลือกว่าตายนอนซะก่อนยังค่อยตายยืนซะก่อนค่อยตายนั่งซะก่อนค่อยตายไม่ใช่เป็นยงั้นเราตายได้ทุกอริยาบทเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีก็ควรจะเตรียมพร้อมทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนนะเวลาเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโทบริกรรมพุทโธพุทโธให้มีสติเวลาเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจ อ, ออกโธพุ ท, ทโท quarter, พุท ishes, โธ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 โทพุโทโธพุธทธโธจากนั้นจิตของเราก็สั้นเข้าสั้นเข้าตะกอนเมื่อก็เพ่นผ่านออกเราก็จะต้องดึงกลับมานะมันต้องมีนะอันนี้ให้เรารู้เอาไว้ว่าเวลาเรานั่งภาวนาโอ้โหทําไมมันใจมันไม่อยู่กับตัวเลยอันนั้นเป็นของธรรมดาอย่าไปคิดว่าเป็นของแปลกเป็นของธรรมดาเหมือนกับเราฝึกหัดบัว น, นั่นนะจับวัวควายเข้ามาใส่แอกใส่ถ่ายเรเดินจ้องจ้องตามปกติไม่มีหรอกบางทีมกับฟุตซ้ายฟัตขวางั้นอาจจะชนเจ้าของอีกต่างหาก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 เมื่อเรากำหนดเข้าไปแล้วใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะบางทีนั่งภาวนาลมหายใจเข้าออกมันหมดนะนั่งกำหนดหมดเทำไมลมหายใจมันหมดมันหายไปได้ยังไงนะแต่ก่อนมันทำไมเรามีสติเราเห็นลมหายใจแต่บัด น, นี้ลมหายใจหมดนี่แหละจุดหนึ่งที่ผู้ริเริ่มภาวนาเนี่ยจะเสียเสียจุดนี้จากนั้นก็สืบหายใจแรงๆเหมือนนพอสืบหายใจแรงๆ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 ถ้าหางว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกละเดใจละเอียดลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจนลมหมดองค์การเน็ะลมหมดแล้วเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องคิดอะไรให้เราเอาสติจับอยู่ตัวผู้รู้ทีนี้ไม่ต้องหาลมอีกลมมันจะหายไปไหนก็สุดแท้แต่ลมเราไม่สนใจกับลมเลยทีเอาสติจับอยู่ตัวผู้รู้นี่ใครรู้ว่าลมหมดอ่า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 ไม่มีครั้งใดก็ต้องมีครั้งหนึ่งไม่มีวันใดก็ต้องมีวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยพวกเรามีอยู่ด้วยกันหลายคนไม่พ่อก็แม่ไม่แม่ก็ลูกลูกเต่าเล่าล้านทุกคนเหรต้องกระเทือนใจสักวันหนึ่งแต่ลุงพ่อเนี่กระเทือนใจไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันอย่างโยมพ่อหลุงพ่อตายอย่างนี้หลุงพ่อก็กระเทือนใจโยมแม่ตายลุงพ่อก็กระเทือนใจพี่ชายญาติพี่น้องลุงพ่อตายคายรูบาอาจารย์หลวงพ่อตายลุงพ่อก็กระเทือนใ จ, อ, นใจอย่างหลุงปู่ล่ามรณาภาพลุงพ่อก็กระเทือนใจ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 อันนี้ก็คือสมาธิมันมีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนานเท่านานทีเดียวเพราะฉะนั้นการฝึกหัดจิตตภาวนานี่เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพุทธบริษัทเพราะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เนี่ยนะต้องฝึกหัดจิตภาวนาให้มากนะพอเรามีโอกาสท้ามีไปร่ําเวลาเนะนะข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะภาวนาให้มาก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 เราจะใช้ได้เป็นอนันตการจากนั้นก็นเราก็เมื่อสุดท้ายมรณะภัยมาถึงเราอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องตน้นว่าความตายมาถึงพวกเราพวกเราก็มีหลักจิตใจมีหลักเมื่อจิตใจมีหลักแล้วเราจะไปยังไงไม่ว้าเวไม่ทุกภว่างนั้นเถ อ, อะอพร้อมที่จะปล่อยวางได้เพราะจิตใจของเราได้สั่งสมบุญกุศลเต็มเปี่ยมไปแล้วไปยังไงพวกเราก็ต้องไม่ทุกข์แน่แน่เพราะว่าบุญกุศลเราได้สั่งสม ไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะจตางาจายมทุกๆท่านนะเรื่องความแก่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอมันไม่ใช่ของแปลกเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการเป็นอยู่ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องของโลกของโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นครวญก็ต้องเป็นอย่างนั้น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 สอนให้พวกญาติโยมใครๆต่อใครฟังหลวงปู่ดีเนาะท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านนะมาบวชที่วัดของท่านพอบวชศิษย์แล้วก็ลาสิกขาไปลาสิกขาไปก็คนหนึ่งก็ไปแต่งงานาคนหนึ่งก็ไม่ได้แต่งงานแต่จานั้นก็พากันมาเยี่ยมหลวงปู่ก็เลยขึ้นมากับหลวงปู่ดีนอกก็เห็นเออเป็นไงลูกหลานทิดเออเป็นไงล่ะสบายดีอยู่แล้วกระผมหลวงปู่สบายดีเออเป็นไงแต่งงานแล้วยังน่ะเนี่ย ครับผมแต่งแล้วครับผมเออแต่งแล้วก็ดีเนาะหลวงคำว่าดีเนาะก็คือดีนะดีน่าหลวงเออดีเนาะหลว ง, ออนลวงจนได้ชื่อว่าเจ้าคุณดีเนะาะเหมือนกันเถะแต่งงานแล้วก็ดีเพราะเป็นฟังเป็นฝาจะไปที่ไหนเออก็ได้กลับมาบ้านมาเรือนเพราะมีครอบมีครัวแล้วต้องรับผิดชอบออต่อไปทางหน้าก็มีลูกมีเต้าขึ้นมาเท่าแกาชรลากระลูกเต้าก็จะได้เลี้ยงดูเราอันนี้เป็นประเพณีของโลกเออ ก็เป็นอย่างนี้แหละก็ขอให้ช่วยกันดูแลนะประคับประคองครอบครัวของเราช่วยกันหาช่วยกันเก็บพร้อมลอมริบนะครอบครัวของเราก็จะมีความสุขความเจริญนะเอนี่แหละ ม, มีครอบมีกรัวมีฝั่งมีฝาก็ดีนะดีนอะหลวงก็เลยถามหลวงอีกคนที่มาใกล้เป็นไงหลวงแต่งงานแล้วยังไหมยังครับผมยังไม่ได้แต่งงานผมก็ไม่คิดว่าจะแต่งนะปู่เป็นยไงน้องปู่ว่าไง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 สลบแล้วก็คือดีเนาะหลวงทั้งสองอย่างว่า ง, งั้นเถอะเน อ, อไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะหลวงขอ ง, ห, อลงอหลวงปู่ดีเนาะว่างั้นเถอะแต่ได้มาพูดถึงธรรมชาติบาทเนี่ อ, อธรรมดาคนเราก็ต้องมีครอบมีครัวใช่ไหมละ่ะแต่ได้มีโยมคนหนึ่งเขาได้เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเขาก็แต่งงานกับแม่บ้านจากนั้นเขาก็มีลูกสาวสองคนแต่ผู้ใหญ่บ้านนี่หัวล้านนะตามวาจิงคนผู้เป็นผู้นาเลย ชอบหัวร้านเหมือนกันเถอะ เ, เป็นของธรรมดาอีกเหมือนกันนะ่ะ อ, อคนที่เป็นผู้นําเนี่ยชอบหัวล้านเหมือนกันนะเถอะนั่งที่ไหนก็เธออะคือเด้คนหัวร้านเป็นผู้นำเหมาอนกันนะเถอะ อ, อันนี้ผู้ใหญ่บ้านหัวล้านเออทีนี้ท่านก็ได้ลูกสาวมาสองคนเพราะได้ลูกสองคนกับเป็นสาวขึ้นมาเลยตอนี้ต่อมาอาจารย์เหมือนกนเถิดไอ้พระในวัดอยู่ในบริเวณละแวกนั้นแ่ะเขาก็เลยลาสิขาเอบวชมานาน ตั้งแต่ห้าพรนสาขึ้นไปเลยเขาเรียกว่าเอไปลดน้ําลยพอช่วงมาหลังๆนี่ใครบวชมาสามปีเขาลดน้ำนํำเขาโคดน้ําจานาว่าโนไปอลดน้ำคล้ายๆกับมีลางพญานาคอย่างนั้นแหอะลดน้ําจานว่าอย่างนัน้ลดขึ้นมากับเป็นจานจานครูจานชาจานสมเด็จเขาก็ว่ากันไปแล้วว่าอย่างนั้นแต่สมัยก่อนหลวงพ่อจําไม่ได้แต่ลดน้ําเข้าไปแล้วก็เป็นจานเอ อย่างน้อยก็เป็นศิษย์พันศาขึ้นไปเนี่ยพอออกมาศึกออกมาทีนี้ก็เป็นผู้นําชุมชนสังคมเป็นผู้นําไหว้พระเป็นผู้นําพระปริตตะเป็นผู้นําอะไรต่อมิอะไรสมัยก่อนเนะ่ยเยอะแยะไปหมดว่างั้นเถอะใบสีสูขัญโดยมากจานเป็นผู้พาทำทั้งหมดว่างั้นเถอะเออหรือว่าเป็นนักปราชญาอาจารย์ว่างั้นเถอะเป็นผู้นําชุมชนได้ทีแร้เขาก็มาติดพันกับลูกสาวพ่อเยาวบ้านพ่อเยาวบ้านก็เออตกลงให้เขาแต่งงานกัน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 เ, เป็นอันว่าผู้เยาวบ้านได้ลูกเขยจานก็ลูกเขยทิศอยู่ในบ้านเดียวกันว่า ง, งั้นเถะแต่นี้ต่อมาผู้เยาวบ้านกับแม่บ้านเ อ, อลูกเขยของเราเนี่ยแต่ลูกสาวของเราเราไม่บ้าละ่ะเราเลี้ยงมาแต่อ่อนแต่ออกเรารู้ได้ว่าลูกสาวของเราเนี่ยนิสัยใครดีกว่ากันอบอ้อมอารีมากน้อยกว่ากันแต่เราก็ไม่ว่าก็ดีทั้งคู่ลูกสาวของเราแต่ลูกเขยของเราเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขา แต่เราอยากจะรู้เขาว่าใครมีเชาวมีความคิดมากกว่ากันมี IQ สูงกว่ากันงนง้น่คือ i อตัวนี้นะเนี่ยเท่าว่า IQ IQ e นี่ MQ มีทั้งหมดเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เขาหาได้เพียง 8Q 8Q ิวนะแปดคเเอคขาไล่ไปนะแต่ตามให้จริง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 มีคันติคือความอดทนเป็นพื้นฐาน MQ เป็นผู้มีศีลธรรมมีจริยะธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมในถิ่นนั้นๆอันนี้เรียกว่า MQ นะแต่ถ้า้มาเปรียบเทียบกับ Q ทั้งหลายของฝรัง่งเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือจริตในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าจริต6จริตโคืออะไรศรัทธาจริตใครพูดอะไรเชื่อหมดโทศาจริตขี้โกรธง่าย ราคาจริตชอบรักสวยงามพุทธจริตเป็นคนมีปัญญาวิตกจริตวิตกกังวลในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเขาพูดน้อยเดียวก็คิดอยู่อย่างนั้นจนเป็นโรคประสาทว่า ง, งั้นวิตกจริตและก็โมหจริตคือความรุ่มหลงอะไรก็ได้ซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นแหละอันนี้แปลว่าจริตในหลักของพุทธศาสนามีหอย่างนะโมหจริตราคาจริตโภสจริต สัทธาจริตวิตกจริตพุทธาจริตอนี่แหละอันนี้คือจริตหกถ้าจะเปรียบเทียบก็คือไอคิของเขานี่นแหละตอนนี้พ่อตาก็พูดกับแม่ยายสองคนเอ๊ะเราจะเอาใครมาเลี้ยงเราว่าเขยสองคนนี่นะเอบไปปรึกษากันดูดูแล้วมันก็เฉลียวฉลาดรับผิดชอบทั้งคู่นะมันก็ดีทั้งคู่ทั้งเขยทิดเขยจานน่ะเราจะเอาคนไหนมาเลี้ยงเราแอบ ปรึกษากันแต่พ่อตาก็เลยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทดลอง IQ ควของเขา m อของเขา a อของเขา EQ ของเขาว่าใครมีคิวสูงมากน้อยกว่ากันนะพอคุยกับแม่บ้านสองสาวันก็เลย เ, เป็นความลับของสองตายายว่างั้นเถะก็เลยพาทิศไปก่อนไปลอง IQ ค e q m อีควเินักันพอเดินไปนอกบ้าน นอกบ้านเขาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอตามปันชาติบ้านที่อยู่ขอบขอบหมู่บ้านเขาก็เลี้ยงสัตว์เามือนกันแะทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกเคยทิศไปพอไปได้ยินเสียงห่านห่านมันเห็นคนมันร้องเลยใช่ไออพอห่านเห็นคนมันจะร้องว้าวว้าวขึ้นมาชูคอขึ้นมามันร้องมันเห็นคนแปลกหน้าเหมือนนแต่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามลูกเคยว่าทิศทาไมห่านจึงร้องเสียงดังทิศก็เลยตอบว่า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 เป็นความคิดแบบตรงตัวอยู่แล้วเนี่ยจากนั้นก็พาไปอีกไปหาเป็ดเอ่อเป็ดมันลอยน้ำหากินอยู่ในน้ำเหมืกันน่ะลอยไปลอยมาพ่อตาก็ถามว่าทิดทำไมเป็ดเป็นยังลอยน้ำได้ทิดก็บอกว่าเพราะมันมีขนพอเพราะขนมันเป็นมันและก็หุ้มตัวของมันมันก็ลอยน้ำได้ทีนี้ก็พ่อตาก็พาไปอีกไปเห็นเขากาลังปลูกพวกผักกาด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 พอกลับมาได้สองสามวันก็เลยพาลูกเขยอาจารย์ไปเอกบาเนี้ยไปที่เกา่านั่นแหะพอจะได้ทดสอบว่าสติปัญญาใครจะเหนือกว่ากันเนี่ยพอไปเห็นหา่หานห่านมาเห็นคนมันก็ร้องอย่างเก่านะ่ะวา่วาว่าขึ้นมาพอตาก็เลยถามว่าอาจารย์ทําไมหา่านมันจึงร้องเสียงดังอาจารย์บอกว่าธรรมชาติอาจารย์ม่านะ่ะธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้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 อาจ า, ารย์บอกว่าธรรมชาติเอออันนี้ก็ธรรมชาติเพรางั้นอะธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้พ่อตาก็บอกว่าธรรมชาติอะไรมันปลายแหลมไม่ใช่เหรอเห็นไหมมันปลายแหลมมันสีใส่ขึ้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวกันอาจารย์ว่านนะพ่อตาเห็นไหมเห็ดกระด้างเห็ดบดมัน ข, ขุดออกมาจากคอนไหมมันยิ่งแข็งกว่าดินอีกมันยังออกมาได้เ อ, อธรรมชาติของมันพ่อตาก็เออใช่เออจากนั้นก็พาไปอีกเลย อแต่ลูกเขยอีกท่านคนที่มีปัญญาชอบเป็นขี้โมโหนะเป็นของธรรมดาเอพวกเราต้องรู้นะอถ้าว่าคนที่ชอบคิดชอบอ่านคนนั้นจะมีอารมณ์เจ้าโมโหหน่อยๆนะเป็นโทสะเป็นพื้นฐานคนที่มีปัญญาจะไปด้วยกันกับเจ้าโทสะเหมั้นกันแต่ทีนี้ถามเขาถามสองเรื่องขึ้นมาเลยก็เลยพาไปเห็นเป็ดลอยน้ําอีกเลยถามอีกจานทําไมเป็ดยังลอยน้ําได้ จานกรนึกโมโหขึ้นมาเนหน่อยแล้วมันงั้นเลอพ่อตาทําไมถามจุกจุจุี้ยอย่างนี้วะลูกเขยเขาบอกว่าเออธรรมชาติของมันธรรมดาเป็ดมันก็ต้องรอยน้ําหากินกับน้ําได้เป็ดห่านมันกินกับน้ําได้แต่ว่าไก่มันลงไปไม่ได้นะเอแต่เป็ดกับห่านมันลงไปหากินในน้ําไหลเป็นธรรมชาติของมันพ่อตาไก่ขยันขยอเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติอะไรไม่เห็นมันมีขนเหรอเอมันมีขนมันจึงว่ายน้ํำได้เอ ลูกเขยก็บว่าเอาไก่น่ะ อ, อมันมีขนเหมือนกันแต่มันลอยน้ำไม่ได้มันธรรมชาติของมันพ่อตาเห็นไหมขอนไม้มันไม่เห็นมันมีขนเลยมันก็นยังลอยน้ําได้เออไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องขนว่าธรรมชาติของมันเหมือนกันพ่อตาเออใช่จากนั้นก็พาไปอีกไปเห็นนานผักไปนานผักนี่ลูกเขยก็โมโหขึ้นมาเลยถามสามสิทำไมพ่อตายังถามจุกๆุจุจีแบบนี้ ไม่คิดว่าเขาจะทดลองความรู้ของตัวเองได้ไม่ได้คิดว่าเขาทดลองไอคิวตัวเองว่า ง, งั้นเถออีคิวตัวเองพ่อตาก็เลยถามว่าอาจารย์อทําไมผักกาดมันยังเกิดขึ้นมาได้อาจารย์ก็ะบอกธรรมชาติธรรมชาติของมันทางพ่อตาว่าธรรมชาติอะไรเขาลดน้ํามันทุกวันความชุ่มชื้นมันมีมันจะเกิดขึ้นมาได้ เพราะถ้าไม่มีความชุ่มเชื้นแล้วไม่ได้ลดน้ำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงอาจารย์กระบอกไม่เกี่ยวกันไมนเป็นธรรมชาติของมันใช่กส่วนหนึ่งก็คือการลดน้ำนั่นแหละแต่ว่าลดน้ําแล้วจะให้มันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้อย่างหัวล้านพ่อตาเนี่ยงั้นลดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดสิน่ะท่านนี่โอ้พ่อตาถูกหมัดนี้เข้าไปขาว่าลูกเขยดูถูกอย่างแรงวันนึงเอาหัวล้านพ่อตามาเล่นเหมือนกัน พ่อตาก็โมโหหยุดพูดเลยเหมือนนเถอะหยุดถามลูกเขยก็หยุดพูดอย่างเหมือนกันเหมงอนนเถอะพ่อลูกเขยส่งมัดเด็ดเหมือนกันเหมือนกันเถอะพอเอาหัวล้านพ่อตา ม, มาเล่นพ่อตาอาบน้ําทุกวันลดน้าทุกวันผมไม่เห็นเกิดเลยพวได้สูก็เลยหันหลังแล้วก็เดินตามหลังกันมาจนมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านก็ขึ้นมาบ้านสองตายายก็เลยพูดกันโอ้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 ถ้ามันมีอะไรติดจิบหายไปข้างหน้าจะเอาเขามาเลี้ยงไม่ได้ได้จิบหายได้พ่อตาแม่ยายจะต้องได้ร้องห่มร้องไห้เพราะฉนั้นคนโบราณเขาจะเอาลูกเขยลูกสะภ้ายมาเลี้ยงเขาเนี่ยเขาต้องดูซะก่อนเป็นลูกเขยอย่างไรเป็นลูกสะภ้ายอย่างไรนะแต่นี่มียายคนหนึ่งอีกเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านอีกเหมือนกันนะั่นอันนี้เขามีลูกชายสองคนมีลูกสะภ้าอีกสองคนเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของแม่ยายจะต้อง สอนลูกสะพ้ายว่างั้นเถอะสอนลูกสะพ้ายเลือกลูกสะพ้าเอลูกชายของเราก็ดีทั้งคู่แล้วแหะแต่ว่าลูกสะพ้าเนี่ยใครจะเป็นคนมีไอคิหรือว่า eq คิเอมคสูงกว่ากัน เ, เดี๋ยวดิฉันจะไปทดสอบดูอก็เลยพาลูกสะพ้ายใหญ่ไปก่อนไปก็พาไปเก็บเห็ดในป่าพอเดินไปเห็นเห็ดเลยก็ลูกเห็ดลูกสะพ้ายใหญ่ก็เก็บ เก็บเห็ดพอเห็ดละโกกเห็ดกอเนี่ผสมประสานกันอยากนั้นก็เก็บผักปิว้วผักน้ำหัวขาเตรียมมาพร้อมพอได้สุดเอามาถึงบ้านเลยก็จัดการแกงอะไรเรียบร้อย เ, อเลี้ยงครอบครั ว, ว, วกันเถอะเพราะครอบครัวไม่อยู่หกคนด้วยกันเนี่ยลูกสะใภ้สองลูกชายสองพ่อแม่เม่ันะหกคน แต่เนี่ต่อมาแม่ย่าก็เลยพาลูกสะพ้ายคนเล็กไปอีกทถอะนะพาลูกสะพ้ายไปเก็บเห็ดอีกอย่างเก่าน่ยทดลองว่าความรอบคอบจะขนาดไหนพอเดินเดินไปแม่ย่าเขาบอกว่านะลูกเห็ดไปเก็บโอ้ยอย่าเพิ่งเก็บเถอะแม่มันน้อยเกินไปเดี๋ยวไปเอาอันใหญ่ๆเลยกลุ่มใหญ่ๆเขาเก็บทีเดียวเลยเหมือนั่นพอไปอีกนั่นลูกเห็ดเขาก็ไม่เก็บลูกสะพ้ายไม่เก็บแม่ย่าเขเก็บแหมก็เดินไปก็เก็บไปด้วย อไปที่ไหนบอกให้เขาเก็บเขาก็ไม่เก็บแม่ย่าก็เลยเก็บไปด้วยเอพอมาถึงลูกสะพ้แต่หาที่กลุ่มใหญ่ๆมันไม่ได้ที่นี่เออพอหวังน้ําบ่อหน้าใช่ไหมละ่ะเอไม่ได้เห็ดสักดอกเอของแม่ย่าเนี่เก็บทีละดอกสองดอกพอแกงว่างั้นเถอะมาก็เลยบอกให้ลูกสะพ้ายเล็กนะไปไปแกงไปอแม่ย่าก็เก็บผักติว้วผักน้ํามาด้วยว่างั้นเถอะอนขงโนคาวพร้อมที่จะแกงได้ว่างั้น่ะพอเสร็จเรืงมาก็แกง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 เพราะนั้นลูกต้องเป็นผู้เก็บพร้อมลอมลิฟนะผลที่สุดผู้ใหญ่บ้านคู่นี้ก็ได้เลือกลูกสะภ้ยคนใหญ่เป็นผู้อยู่ดูแลพ่อแม่ว่า ง, งั้นเถอะอันนี้แหละคนโบราณเขาเลือกลูกสะภ้ายเาก็มีวิธีการเหมือนกันนะเลือกลูกเขยเขาก็มีวิธีการถ้าจะสรุปลงมาให้สู่ธรรมะก็คือว่าธรรมชาติของคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นะ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 ทำไปเรื่อยๆแปลว่าเป็นการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เกิดพพหน้าชาติหน้าคนมีบุญไปเกิดที่ไหนดีหมดนั่นนะการทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะบุญกุศลเกือ้อกูลอุดหนุนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทำบุญไว้เกิดพพหน้าชาติหน้าเกิดมาก็ทำมาค้าขายก็ไม่จเจริญงอกเงยทาอะไรก็ตกๆลนๆไปเรื่อยเพราะอนิสง์บุญกุศลไม่มี เพราะนั้นบุญกุศลนี่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังมันมีพลังนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ได้มาวัดของหลวงพ่อได้ยินทั้งนิทงนิทานได้ยิงทั้งแนวความคิดแปลกแตกต่างให้พวกเรานําไปสังเกตนําไปพินิษพิจารณาและปรับปรุงกายว่าใจาใจของพวกเราหลวงพ่อว่าคงจะมีความสุขความเจริญการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะขอความสุขสวัสดี